มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคเทระสะติขะปฏิพานปัญหาที่สาม ถามว่าบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอัทโคมีลินโทราชาครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินทราธิบดีมีสุนทรพุทธนาถพระราชองค์การถามอัธปัญหาสืบไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันว่าบรรพชาของพระผู้เป็นเจ้านี้โกประระมัทโถมีประโยชน์อันอุดมดีอย่างไรกิมัททิยา ประโยชน์ด้วยสิ่งอันใดจริงบรรพชาพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเสน จ, จริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริราชมหายสวรรค์บรพชาของอัตมานั้นเป็นประโยชน์ดับเสียซึ่งทุก์ที่มีในสันดานแล้วมิให้ทุกประการอื่นบังเกิดขึ้นได้ประการหนึ่งบรพชาของอัตมนี้ ประเสริฐยิ่งนักจากให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์นิกรเทวดามนุษย์นิกรเทวดาวหายนบเคารพบูชาถวายทยาทานบรรดาที่จะให้เกิดผลเมื่อสิ้นชนมรนาการแล้วเดชผลที่ได้กระทำสการะถวายทานแก่รูปอันบนรรพชาก็จะปิดเสียซึ่งประตูจตุราบายก็จะได้ไปชมสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติเหตุชนี้รูปจริงว่าบรรพชาของรูปนี้โสดจะให้เป็นประโยชน์แก่นิกรมนุษย์เทวดาทั้งหลายขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินสาคาราครได้ทรงฟังพระนาคเสสํำแดงแจ้งกระจ่างก็ไม่ได้มีทางที่จะซักไซก็หันเหเซพระพาทพเชน่าอื่นไปว่าพันเตนาคเสนะถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเสน โยมนี้อยากจะใคร่พูดอยากใค ร, ร่เจรจาพาทีกับด้วยพระผู้เป็นเจ้านักหนาะพระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่าดูราณะมหาบพิษจะเป็นอะไรตรัสวากะไรเร่งตรัสเถิดแต่บพิษผู้ประเส ร, ริฐอย่าประพาดด้วยราชวาดจงตรัสกับอัตมาเป็นบันดิตตวาดพระเจ้ามิลินนรินทรราชจึงประพาดถามว่าพันเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบัณฑิตตวาดนักปราจรจานี้เจรจาประการใดโยมยังสงสัยอยู่นิมนต์วิสัชนาไปก่อนอ้อขอถวายพรธรรมดาว่าปราจรจาย่อมสุนทรอ่อนหวานมิได้เจรจาหักหารขมขีปฏิกกรรมะกระทำดีเรียบร้อยถ้อยคำย่อมกระทำให้วิเศษต่างๆ ย่อมกระทาปฏิเสธกั้นกลางการอากุศลกรรมอาเวทนังย่อมกระทาเคล้าคลึงโน้มน้อมเข้าในสิ่งเป็นกุศลมีรักษาศีลให้ทานเป็นต้นนักกุปปันติมิได้กำเริบรานร้ายกาศธรรมดาว่าปราดย่อมเจรจาดุดอัตมาวิสัชนาชนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ฉลาดอีกประการหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าว่าราชวาาคือคำกษัตริย์ขัตติยมหาศาลนั้นเป็นประการใดจงวิสัชนาให้โยมฟังก่อนขอถวายพระพรบรมกษัตริย์ขัตติยมหาศาลจะตรัสย่อมหักหารเอาด้วยปัญญาปฏิพานของตน ในวัตถุสิ่งเดียวได้ตรัสให้กระทาดังนี้ถ้ามีผู้ใดขัดพระราชองค์การโสดโทษก็มียิ่งแก่ผู้นั้นอันกษัตริย์นี้จะตรัสเจรจาพาธีมิได้อนุโลมตามใครความกรณีจึงไม่ให้ตรัส ด, ด้วยอัตมาเป็นคำราชว่าดบออพิษจะตรัสเป็นราชว่าดกับอัตมาอัตมาก็มิได้สนทนาด้วยบอพิษพระราชสมภารในการบัดนี้ ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าโยมนี้จะเอาคำปราดมาเจรจามิได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าโดยคำเท้าคำพระยาอ่อถ้ากระนั้นจะตรัสอย่างไรเร่งตรัสมาเถิดขอถวายพระพรเรื่อง ถามเป็นสํานวนลมปากหวังจะลองปัญญาพระหน้าเกษณ์ว่าจะเขาหรือจะคมค่ายอย่างไรพระเจ้ากรุงมิลินเป็นสาขาณครจะลองปัญญาพระผู้เป็นเจ้าว่าจะเข่าเคลิ้มประการใดจึงตรัสไต่ถามเป็นสํานวนลมปากเปล่าอีกเล่า ว, ว่าโยมจะถามพระผู้เป็นเจ้าบพิษจะถามอย่างไรจงถามเถิดโยมถามแล้ว ขอถวายพระพรอัตมาแก้แล้วพระผู้เป็นเจ้าแก้อย่างไรจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนขอถวายพระพรอัตมาแก้แล้วพระเจ้ากรุงมิลินผู้มินทราธิบดีแต่ถามปัญหาสำนวนเปล่าเช่นนี้ทีหนึ่งแล้วกลับมาถามซ้ำอีกเล่าหวังจะลองปัญญาพระน้าเกษณว่าจากเขลาหรือฉลาด ย่ ง, งยืนอยู่ไม่ครั่นคร้ามหรือประการใดเท่านั้นเทรั ส, สะติขปฏิภานปัญหาคำรบสามจบเท่านี้เรื่องพระยามิลินทรงดำริว่าภิกษุรูปนี้มีปัญญาสามารถแล้วเสด็จกลับเข้าวังอัทโคมิลินทัศญโยเอตะทะหูสิแท้จริงอันดับนั้นสมเด็จบรมกษัตราทีธิราชมิลินภูมินทราธิบดี ทรงพระราชดำริชันี้ว่าอายังพิกขุพระภิกษุรูปนี้ปัญดิโตมีปัญญาอาจสามารถที่จะวิสัชนาได้อัตมาจะถามโดยเหตุอันพิเศษหลากหลากมากนักหนาเวลานี้ก็เป็นเวลาสายยันตะวันอัสดงลงรับสเสวต่อวันพรุ่งนี้จะให้นิมนต์พระนาค เ, เสนเข้าไปสู่พระราชฐานของอัตมา จะถามอัดับปัญหาให้หลกัหลกๆมากกว่านี้เรื่องพระยามิลินรับสั่งให้อมย์ไปนิมนต์พระนาคเกษดำมริแล้วพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การสั่งเทวะมันติยะอมัดผู้ฉลาดว่าดูกระเทวมันติยะอมัดจงอารัธนาพระผู้เป็นเจ้านาคเกษให้เข้ามานั่งสนทนากับด้วยเรา ในราชนิเวศแต่เพลาเช้าอย่าให้พระผู้เป็นเจ้าไปในที่อื่นตรัสแล้วพระองค์ก็ลาพระภิกษุแปดมื่นกับพระนาคเษนเสด็จถึงประตูอสงไขยบริเวณวงวัดอัสสังอภิรุยหิตวาก็เสด็จขึ้นหลังอาชาชาติสินทบพระที่นั่งทรงพร้อมด้วยหมูนิกรแสนจตุรงพระองค์ก็ตรัสบนแต่ว่านาคเษน มาบนหลังสินทบพระที่นั่งกระทั่งถึงประตูพระราชวังเสด็จเข้ายังอันเตปุระราชนิเวศตำหนักทองของพระองค์ในการครั้งนั้นฝ่ายเทวมันติยะอมรดก็อาราธนาพระนาคเกษดุดกระแสพระราชองค์การส่วนพระนาคเกษก็ชื่นบานรับอาราธนาตะสะัสสรติยาอัจเจนะ ครั้นรุ่งราดราตรีรัศมีที่วากรสว่างกระจ่างฟ้าฝ่ายว่าอมาตะทั้งหลายสี่คนชื่อว่าเนมิติยะอมาตะคนหนึ่งชื่อว่าอันตกายะอมาตะคนหนึ่งชื่อว่าอังกุระอมาตะคนหนึ่งชื่อว่าสัพพตินะอมาตะคนหนึ่งสริเป็นสี่คนด้วยกันจึงทูลสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีว่าขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าปุกระหม่อม เพลาเช้าวันนี้ทรงพระกรุณาจะให้พระน้าเกษมมาสู่ราชฐานหรือประการใดจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าเออให้เธอเข้ามาเถิดอามาจิงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระภิกษุบริวารพานจะมากถึงแปดสิบพันจะโปรดให้พระน้าเกษม น, น, นิมนต์มาด้วยเท่าไหร่จึงมีพระราชองค์การตรัสว่าตามแต่ใจพระน้าเกษมท่านจะพามา สัพพะทินะอมาจ้งทูลว่าขอพระราชทานให้พระหน้าเกษนิมนพระสงฆ์มาด้วยสิบองค์อย่าให้เอามามากเลยพระราชออคงการตรัสว่าสัพพะทินะเอยอย่าบังคับเลยตามใจท่านจะมาเถิดสัพพะทินะอมาก็ทูลขัดพระราชออคงการถึงสามครั้งดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชออคงการตรัสว่า ดูกระสัพพทินะของที่จะเลี้ยงพระภิกษุนี้สิ้นไปไม่มีหรือประการใดท่านจะเข้ามาเท่าไราตามใจท่านโภชนะอาหารในราชฐานของเรามีเป็นนักเป็นหนาฉันหันจะไม่พอเพียงที่จะเลี้ยงท่านหรือประการใดสัพพทินะฟังพระราชค์การก็ก้มหน้านั่งนิ่งอยู่หารู้ที่จะทัดขัดพระราชค์การไม่ ส่วนอมาทั้งสี่ได้สวรนาการฟังพระกระแสพระราชโองการชนี้อมาทั้งสี่คือสัพพทินะเนมิติยะและเจ้าอังกุระและเจ้าอันตกายะก็พากันถวายบังคมลาลุกมาขมีขมันมิทันใดก็ถึงอสงไขยบริเวณจึงเข้าไปสู่สำนักพระนาคเษนองค์เอกอาเซคบุคนิมนตร์พันว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า มีพระราชะองค์การให้กระหม่อมฉันมานิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้เข้าไปฉันอย่างนิเวศวังในกับภิกษุบริวาร น, น้อยมากเท่าใดก็ตามน้ำใจพระผู้เป็นเจ้าจะพาเข้าไปในการบัดนี้อะตะโขอายะสมานาคาเสโนขณะนั้นพระนาคาเษนองค์พระอระหันต์อันมีอายุมิ่งมงกุฎโมลีได้ฟังอมาตทั้งสี่อาราธนาปตะจีวระมาทายะ ก็นุ่งสบงทรงจีวรมีพระกรจับบาทรพาสง 80,000 ลีลาดมาเป็นอันดับกันปุพานหะสมัยเยแต่เวลาเช้าพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าสู่พระราชธานีฝ่ายอมาตย์ทั้งสี่ก็ตามไปด้วยกันจบเทละสะัสติกขะปฏิภานปัญหาที่สาม